จเจริญอนทุกๆท่านธรรมะไม่ใช่ของยากอะไรเป็นเรื่องที่เราจะเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจของเราที่ละเราจะมาเรียนรู้จนเห็นความจริงของมันนะแล้วเราเห็นความจริงของกายของใจแล้วเบื้องต้นมันจะเห็นว่าตัวเราไม่มี้ตัวเราไม่มีนะมันไม่มีที่ตั้งของความทุกข์ละความทุกข์ไม่รู้ไปตั้งที่ไหน ปกติความทุกข์ไม่อยู่ที่กายความทุกข์ไม่อยู่ที่ใจจะภาวนาต่อไปนะปัญญามันแก่รอบขึ้นไปจะเห็นเลยว่าตัวเราที่ว่าไม่มีไม่มีแล้วมันมีอะไรไ ม, มีแต่ตัวทุกข์กายนี้ก็เป็นตัวทุกข์ใจนี้ก็เป็นตัวทุกข์ได้เรียนธรรมะนะไม่มีอะไรหรอกมีแต่เรียนเรื่องทุกข์ทั้งนั้นหนึ่งถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่จะิตจะปล่อยจิตจะไม่ยึดถือ ย, ยึดถือใจใช้จะอิสระมีความสุขมหาศาลที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องแปลกมากเลยเป็นเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือวิธีวิธีที่เราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้าเรารู้วิธีแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติเอาลำทังรู้วิธีแล้วไม่ปฏิบัตนะิมันเหมือนเราไปได้ตำรายามานะแต่ไม่ปรุงยากินสัทีนะไม่หายจากโรคภัยไข้เจ็บหรอก เราต้องมาเรียนวิธีปรุงยาก่อนพอปรุงยาเป็นแล้วเราก็ต้องกินยามาฟังให้รู้วิธีปฏิบัติพอรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็ไม่พ้นทุกข์หรอกนี่ก่อนที่หลวงพอ่อจะเทศลงรายละเอียดให้พวกเราฟังนะเรามาตกลงกติกากันก่อนธรรมะที่หลวงพอ่อเทศนี่เป็นธรรมะถ่ายทอดมา ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงครูบาอาจารย์สืบทอดกันมาเป็นลําดับลําดับธรรมะนั้นเป็นของสําคัญเป็นของสูงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านปรินิพานแล้วแต่ท่านมีธรรมะวินยัยคําสอนของท่านนีอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทำเนี่ยจะเป็นาศาสดาแทนท่านนั้นการฟังธรรมะเนี่ยถือว่าเราต้องฟังด้วยความเคารพ พระธรรมจริงๆนะถ้าใจเราไม่มีสมาธิใจเราวกแวกแวกๆนะถือว่าเราไม่เคารพพระธรรมถึงนั่งพนมมืออยู่นะแต่ใจวกแวกใจหนีไปคิดเรื่องน้อนเรื่องนี้ใจอยากกลับบ้านใจอะไรเนะี่ยเราเรียกว่าไม่เคารพในธรรมะการเคารพในพระธรรมนะกายวาจาใจของเราต้องเรียบร้อยอันแรกเลยนะเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยพวกเราโตลงกันก่อน ระหว่างที่หลวงพ่อเทศนะอย่าเพิ่งถ่ายรูปอย่าเพิ่งถ่ายรูปเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยถ่ายปุ๊บปุ๊บป๊บนะคนข้างๆเราเขาเสียสมาธิแทนที่เขาจะฟังธรรมรู้เรื่องนะใจเขาวอกแกวกวแวกนะเราบานะบาปกรรมมันจะตกที่เราเองเราไปทําลายสมาธิในการฟังธรรมของคนอื่นเขามือถือถ้ามีนะส่วนใหญ่ก็มีกันทุกคนปิดเสียงซะก่อนนะใครยังไม่ปิดก็ปิดซะ เราถือว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เรากำลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเราจะฟังธรรมแล้วเร า, าฟังด้วยความเคารพจริงๆถ้าเราไปรบกวนคนอื่นนะเสียหายมากเลยในงานศพของหลวงปู่ดูลนะเมื่อหลายปีมาแล้วนะร่วมๆเกือบ30ปีมาปีแล้วหลวงตามหาบัวเคยเทศเทศที่นี่แหละนะเทศที่นี่แหละพอท่านเริ่มเทศนะท่านเทศอยู่ข้างบนนะ ท่านเริ่มเทศพวกเราก็ลุกขึ้นถ่ายรูปกันท่านก็หยุดแล้วพอหยุดถ่ายรูปท่านก็เทศใหม่แต่คนเราเรื่องพอท่านเริ่มเทศก็ถ่ายรูปอีกแล้วท่านก็หยุดอีกนะพอครั้งที่3ท่านด่าเลยนะว่าจะโลภมากถึงแค่ไหนทําไมไม่สนใจธรรมะสนใจแต่จะถ่ายรูปแล้วทำไมท่านบอกว่าธรรมะท่าน จบไปทั้ง3กัน์นะนะธรรมะท่านดับลรงไปทั้ง3กันเทศแนละ้วเพราะว่าพวกเราใจไม่ไมสงบจริงวอกแวกวอกแวกนะวุแต่เรื่องถ่ายรูปนั้นเรื่องถ่ายรูปเนี่ยเป็นศัตรูร้ายเลยนะอย่าเพิ่งถ่ายอนนี้เดี๋ยวไว้ถ่ายทีหลังเนเกลดไหมมีคนเดินผ่านใจเราก็วิ่งไปที่เขาเห็นหมเนี่ยใจมันวอกแวกอย่างนี้แหละให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวนะจะเรียนธรรมะ อะไรที่จะทำให้เราวกแวกนะเราตัดทิ้งไปก่อนโดยเฉพาะการที่เราจะทำให้คนอื่นวกแวกนี่เราไม่เอาเลยวันนี้เราพูดกันยาวนิดนึ่งนะเพราะรู้สึกว่าพวกเราชอบถ่ายรูปถ่ายมากไปไม่มีประโยชน์อะไรการที่เราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้นะศัตรูเบอร์เลยที่ทำให้เราเรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่ได้นะคือความใจลอยรู้จักใจลอยไหม ใจลอยใจมันหนีไปใ้มันหนีไปคิดหนีไปคิดเรื่องโน้นหนีไปคิดเรื่องนี้หรือเห็นคนเดินผ่านใจลอยไปดูเขานะขณะที่ไปดูเขาใจเราไปอยู่ที่เขาเราลืมตัวเราเองเราลืมกายลืมใจของเราเองเนะ ม, ม, ม, ม, มื่อไหร่ลืมกายเมื่อไร่ลืมใจราะนั่นเรียกว่าขาดสตินะงั้นต้องมีสติแตนะเป็นเครื่องมือสําคัญเลจิตใจเรานะเราต้องรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ ถ้าเราภาวนาแล้วจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งวิคิดตลอดเวลาเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายของตัวเองเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจของตัวเองอย่างนี้ภาวนาไม่ได้เราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้อย่างไงในเมื่อเราลืมกายลืมใจงนั้นการที่เราใจลอยไปเหม่อไปนะฟุ้งซ่านไปลืมกายลืมใจของตัวเองเนี้เป็นศัตรูเบอร์หนึ่งของนักปฏิบัติเลย เราจะต้องพยายามรู้สึกตัวให้บ่อยที่สุดนะพยายามรู้สึกตัวเรื่อยๆนะวิธีที่จะฝึกให้เรารู้สึกตัวนะก็ต้องซ้อมปกติเนี่ยเราจะใจลอยตลอดเวลาอยู่แล้วตั้งแต่เกิดมานะเราถูกส่งจิตออกนอกหลวงปู่ดูลท่านเรียกว่าจิตส่งออกนอกจิตใจเราจะวิ่งออกไปข้างนอกวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดนะวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปรู้สัมผัสทางกาย จะวิ่งออกไปทางช่องทางทวารทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตของเราวิ่งไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสทางกายหาเรื่องราวคิดนึกทางใจใจิตมันจะไหลออกไปตลอดเวลานั้นหลวงปู่ดนท่านชี้เลยตัวนี้เป็นตัวสมูทยัยนะถ้าเราเมื่อไหร่จิตเราไหลออกนอกไปเนี่ยไม่ได้เรื่องได้ราวละเวลาจิตเราหนีออกข้างนอกไปเราไปดูเวลาเราไปดูเราเห็นคนอื่นเราเห็นสิ่งอื่น แต่เราลืมกายลืมใจของตัวเองเวลาเราไปฟังตั้งอกตั้งใจฟังคนอื่นพูดนะเราก็จะลืมกายลืมใจของเราเวลาเราไปคิดนะเรารู้เรื่องราวที่จิตเราก็ลืมกายลืมใจของเราเมื่อไร่ลืมกายเมื่อไร่ลืมใจนะเมื่อนั้นเรียกว่าขาดสติแล้วงั้นงานสําคัญของเราเนี่ยต้องฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อ ก, กับตัวนะพยายามฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกตัวบ่อยๆอย่าใจลอยนาน ใจลอยก็ได้แต่อย่าให้นานนะไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกทําไมมันถึงจะไหลแล้วรู้สึกเร็วๆมันต้องซ้อมจิตของเราเนี่เคยชินที่จะไหลออกนอกตลอดเวลานะตั้งแต่เล็กๆมาเราก็จิตออกนอกมาตลอดนะอย่างพวกเราบางคนนะเราไปเยี่ยมคนที่เขามีลูกออกลูกใหม่ๆนะใครเคยไปเยี่ยมไหมคนออกลูกเราไปเห็นเด็กนะตัวเล็กๆนอนอยู่ตัวแดงๆเราเชอาไปเจ้าเอ๋จ้าเอ๋นะ ทีก็เอามือไปวนๆจะให้มันสนใจเนี่ยเด็กก็ถูกดึงดูดนะดึงดูดให้สนใจข้างนอกนะเนี่ยจิตถูกสอนให้ออกข้างนอกมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะสอนตลอดเวลานี่พ่อนะนี่แม่นะนี่อย่าง น, นู้นนี่อย่างนี้นะดึงออกไปข้างนอกตลอดเวลาเลยนั้นจิตใจของเราเนี่ยมันไม่เคยอยู่กับตัวเองเลยจิตมันจะเคยชินที่จะออกข้างนอกตลอดเวลานะงั้นจะต้องมาฝึกวิธีฝึกเนี่ยเบื้องต้นนะ ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งใครถนัดพุโทโธก็พุโทโธใครถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจใครถนัดดูท้องผองยุบก็ดูท้องผองยุบไปใครถนัดเดินจงกรมก็เดินจงกรมทํากรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนพอทํากรรมฐานอย่างนั้นขึ้นมาแล้วนะเราคอยสังเกตใจของเราพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปใจเราหนีไปคิดรู้ทันพุโทโธพุธโทโธพุทโธใจไปเพ่งนิ่งๆอยู่รู้ทัน หรือเรามารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันจิตหนีไปคิดก็คือจิตมันเคลื่อนไปมันส่งออกนอกนะจิตมันเพ่งนะไปเพ่งลมหายใจมันก็เคลื่อนไปเพ่งนะเคลื่อนออกจากฐานของจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจก็จิตออกนอกเหมือนกันงั้นเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลออกนอกบ่อยๆนะจิตไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะหัดไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันนะ หายใจไปหายใจไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบไปจิตน huh? ouais> ี้ไปคิดก็รู้ทันหรือจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆนะรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆจิตใจมันจะกลับมาอยู่กับตัวเราเองจิตใจมันจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเวลาเรารู้ทันจิตที่ไหลไปปุ๊บนะรู้ทันปุ๊บนําจิตมันจะกลับมาเองอย่าไปดึงมันคืนมาตัวนี้สําคัญนะพวกเราบางคนไม่เข้าใจ ได้ยินครูบาอาจารย์บอกเฮียทงจิตออกนอกแล้ก็พยายามบังคับไม่ให้ออกนอกและบังคับไม่ให้ออกนอกนะั้นจิตจะแน่นๆหนักหนักแน่นๆ่นแข็งแข็งซึมๆึทื่อทจิตที่หนักที่แน่นที่แข็งที่ซึมที่ทื่อเป็นอกุศลและจิตนะเป็นจิตที่ไม่ดีจิตที่เป็นกุศลเนี่ยจะเบาอ่อนโยนนุ่ ม, น, มนวลคล่องแคล่วว่องไวนะซื่อตรงในการรู้อารมณนะ์จิตจะถ้าตั้งตัวขึ้นมาเป็นแค่คนดนะูไม่ใช่ผู้แสดงแต่เป็นผู้ดูนะต้องฝึก ต้องฝึกนะถ้าเราไม่ฝึกเลยจิต Sir เราจะออกนอกด้วยความเคยชินเพราะมันเคยชินที่จะออกเราก็มาฝึกนะพุโทโธพุโทโธจิตออกไปแล้วรู้ทันจิตหนีไปแล้วรู้ทันหรือฝึกหายใจก็ได้นะหายใจออกหายใจเข้าคอยรู้สึกตัวหายใจคอยรู้สึกตัวหายใจคอยรู้สึกตัวหายใจไปแล้วจิตมันหนีไปคิดมันลืมความรู้สึกตัวแล้วรู้ทันมันต้องฝึกนะตัวนี้สาคัญมากเลยถ้าเราลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็ ลืมกาย ล, ลืมใจนะเราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ยังไงถ้าไม่ได้เรียนรู้ความจริงของกายของใจนะโอกาสจะบรรลุมรรคผ ล, ลนิพพานเนี่ยไม่มีเอาเลยนะจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะต้องคอยรู้สึกกายรู้สึกใจเห็นความจริงของกายของใจให้มากๆเห็นให้บ่อยๆ ne ung, ne ung, นะเห็นเนืองเนืองะเห็นจนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นมาทีแรกเราไม่ลืมกายเราไม่ลืมใจนะเราก็ดูกายมันทางานดูใจมันทางานไปเรื่อย ถ้าเราลืมกายลืมใจนะร่างกายมันทํางานเช่นมันหายใจออกเราก็ไม่รู้มันหายใจเข้าเราก็ไม่รู้มันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนเราก็ไม่รู้นะแล้วถ้าค่อยรู้ถันหรือจิตใจเป็นสุขก็ไม่รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็ไม่รู้จิตใจโลภจิตใจโกรธ จ, จิตใจหลงไม่รู้อะไรสักอย่างเลยที่เกี่ยวกับกายกับใจไี่ใช้ไม่ได้เลยนะเราพยายามมารู้สึกตัวบ่ยบอยๆฝึกไว้ทุกวันทุกวันนะจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้ ถ้าพูดแบบที่หลวงปู่สอนนัก็คือรู้ทันจิตที่ส่งออกนอกจิตไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปดูก็รู้ทันจิตไหลไปเพ่งอะไรก็รู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนไปนะจิตมันจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวพราะจิตอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยงานต่อไปก็คือตามดูมันไปเรื่อยๆตามดูกายตามดูใจมันทํางานนะถ้าเราลืมกายลืมใจในกายมันทํางานเราก็ไม่รู้จิตใจมันทํางานนะมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วเราก็ไม่รู้ เราคอยมารู้สึกตัวเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานบ่อยๆการที่เราคอยดูกายดูใจมันทำงานนะนั่นแหลนะเรียกว่าการเจริญปัญญาลาพังรู้สึกตัวเฉยๆนี่ไม่พอมันะควรแค่รู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกอยู่เฉยๆไม่ยอมดูกายดูใจทำงานนะอันนี้ไม่ได้เจริญปัญญาจริงนะรู้สึกตัวเฉยๆเป็นสมาธิเฉยๆนะเป็นสมาธิเฉยๆมีสติเฉยๆแต่ไม่เดินปัญญา แล้วพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ดูกายมันทํางานนะดูใจมันทํางานดูเหมือนดูคนอื่นเช่นร่างกายหายใจออกใจของเราเป็นแค่คนดูร่างกายหายใจเข้าใจของเราเป็นแค่คนดูร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนใจเราเป็นแค่คนดูค่อยๆฝึกอย่างนี้เรื่อยๆหรือความสุขความทุกข์เกิดในร่างกายใจเป็นคนดูความสุขความทุกข์ความเฉยๆ oh, เกิดขึ้นในใจใจเราเป็นคนดู กิเลสเกิดขึ้นในใจโลภโกรธหลงเกิดขึ้นในใจใจเราเป็นแค่คนดูเราอย่าไปยุ่งกับมันอะไรเกิดขึ้นในกายก็แค่รู้แค่เห็นอะไรเกิดขึ้นในจิตใจก็แค่รู้แค่เห็นไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะรู้นะเราใครยรู้สึกตัวเรื่อยๆเราก็จะรู้ได้อย่างร่างกายมันหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนคอรู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยต่ไปพัญญามจะเกิดนะ จะเห็นในร่างกายเนี่ยมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายหายใจออกนะเรานึกว่ามีความสุขหรอเปล่หายใจออกไปสักพักเดียวก็ทุกข์นะเราก็ต้องหายใจเข้าหายใจเข้านึกว่ามีความสุขหายใจเข้าไปแป๊บเดียวก็ทุกข์ต้องหายใจออกที่เราหายใจออกหายใจเข้าอยู่ก็เพื่อหนีความทุกข์ ει, กตลอดเวลานั่นเองความทุกข์มันบีบคั้นอยู่ในร่างกายนี้ตลอดเวลาทำไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอน จะนั่งอยู่ก็ยังต้องพลิกซ้ายพลิกขวานะเพราะความทุกข์มันบีบคั้นนอนอยู่ก็ยังต้องพลิกซ้ายพลิกขวานอนกลางคืนใครไม่พลิกบ้างมีไหมไม่ได้หรอกนะถ้านอนปวดเมื่อยไปก็พลิกเนื่อว่าจะสบายอีกสักพักหนึ่งก็ปวดเมื่อยอีกแล้วก็ต้องพลิกตัวอีกแล้วนี่ร่างกายเรานะถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานี่เรบคอยมารู้สึกนะความใจเราอยู่กันเน้อกับตัวแล้วเราก็เห็นในร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา นี่แหละเรื่องว่าการทำกรรมฐา น, นกรรมฐานไม่ใช่เรื่องนั่งทำใจนิ่งแล้วก็ไม่รู้เหนือรู้ใต้นะเัระนั้นมันกรรมฐานของฤาษีกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ยฝึกให้จิตใจตั้งมั่นให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็มาเจริญปัญญามาดูความจริงของกายมาดูความจริงของใจใครถนัดดูกายก็ดูกายใครถนัดดูใจก็ดูใจไปอย่างหลวงพ่อนะตั้งแต่เล็กๆฝึกอานาปนาสติเขาคิดว่าจะถนัดดูกายนะ มาดูกายดูไม่กี่แทบเดียวนะร่างกายก็ระเบิดหายไปเลยไม่มีร่างกายให้ดูดูอะไรต่อไม่เป็นเลยภาวนาไม่เป็นเลยร่างกายหายไปเนี่ยใช้เวลาตัวนี้เสียเวลาอยู่เจอกระทั่งมาเจอหลวงปู่ดูลลงปู่ดูลเป็นครูบาอาจารย์ที่อาศจรย์ที่สุดเลยนะหลวงพ่อนะ่ะเข้าไปศึกษาจากครูบาอาจารย์หลาย10องค์นะสามสบสี่สองค์ที่เข้าไปเรียนด้วยนะ แต่ไม่มีองค์ไหนอัศจรรย์เหมือนหลวงปู่ดุลเลยมาหาหลวงปู่ดุลย์ตั้งแรกนะวันที่6กกุมภาพันร้อยยี่สิบห้เข้าไปกราบท่านไนปบอกท่านบอกพระหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติท่านไม่สอนนะท่านนั่งหลับตาเงียบไปเลยเกือเกือบชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงกว่าเกือบเกืบชั่วโมงนะนั่งเงียบเราก็นึกว่าโอ้หลวงปู่แก่มากแล้วหลวงปูช่ชันข้าวเสร็จแล้วก็หลับไปแล้วนะ แล้วก็ไม่เข้าใจท่านกีด้านนึกว่าท่านนั่งหลับพอท่านนั่งเงียบๆไปนานนะท่านลืมตาขึ้นมาท่านสอนเลยว่าการปฏิบัตินี่ไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไป น, นี้อ่านจิตตนเองนี่คือท่านให้ธรรมมาเฉพาะตัวนะธรรมมเฉพาะเลยเวลาเรียนจากหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลไม่ใช่ครูบาอาจารย์แบบที่ว่าเคยทํามาแบบไหนแล้วก็สอนแบบนั้นเวี่ยงแแห่กว้างๆไม่ได้เป็นอย่างนั้น ท่านสอนคนแต่ละค น, นะไม่เหมือนกันเดี๋ยท่านสอนหลวงพ่อให้ดูจิตดูใจเพราะจริตนิสัยมันเป็นคนช่างคิดพวกช่างคิดต้องดูจิตดูใจพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามต้องดูกายกรรมาฐานมันมีหลายอย่างหลวงพ่อเนี่ยเริ่มเดินปัญญาด้วยการดูจิตดูใจเวทาดูจิตดูใจก็คือให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนอย่าใจลอยถ้าใจลอยนะ จิตใจเป็นสุขก็ไม่รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็ไม่รู้จิตดีจิตชั่วไม่รู้อะไรสักอย่างเลยเพราะมันใจลอยนะก็ะต้องฝึกให้ใจมันอยู่กับตัวเองใจมันตั้งมั่นอยู่แล้วแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของใจไปนะทีแรกไม่เข้าใจนะไปฝึกอยู่3เดือนนะก็มารายงานหลวงปู่อกหลวงปู่ครับผมดูจิตเป็นแล้วนะคือจิตเคลื่อนไปไหนเรารู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นั้นะรักษาจิตเอาไว้ตลอดเวลานะจิตไม่หลงไม่เผลอนะรู้ตัวอยู่ได้ตลอดเลย หลวงปู่บอกว่ายังไม่ได้ดูจิตเลยอันนั้นเป็นการแทรกแซงอาการของจิตแล้วจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเราไปฝึกฝนซะจนมันไม่คิดนึกปรุงแต่งมันรู้ตัวอยู่เฉยๆผิดธรรมชาติธรรมดานะให้ไปทําเอาใหม่ท่านบอกให้ไปทําเอาใหม่นะเข้ามาเฝ้าดูเนี่ยหลวงปู่สอนให้ดูดูหมายถึงอะไรดูดูก็คือมันเป็นยังไงก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจิตใจเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงถ้าดูร่างกายนะจะเห็นว่าเป็นของเป็นพุกนะ ถ้าดูจิตใจจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันดูง่ายว่าไม่เที่ยงดูร่างกายว่าไม่เที่ยงดูยากนะร่างกายมันแก่ช้ามันเจ็บช้ามตายช้าแต่ว่าถ้าดูจิตดูใจเนี่ยมันจะไม่เที่ยงอย่างรวดเร็วเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวโลภโกรนลงดีชั่วอะไรชั่วคราวหมดเลยได้นึกขึ้นได้ว่าหลวงปู่สอนบอกให้ดูให้ดูจิตตัวเองเราะนั้นถ้าดูจิตนึกเหมือนเราดูหนังดูละคร ตัวละครมันแสดงบทรักเราก็รู้ทันมันแสดงบทโกรธเราก็รู้ทันบทดีบทชั่วเราเป็นแค่คนดูเราไม่เข้าไปแทรกแซงมันนั้นตอนแรกที่หลวงปู่สอนให้ดูจิตนะหลวงพ่อไปทําผิดอยู่3เดือนแต่รักษาจิตให้นิ่งแล้วรู้ตัวอยู่เฉยๆนะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ น, นั่นเองท่านบอกว่าทําผิดแล้วไปแทรกแซงนะจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเราไปฝึกจนกระทั่งมันไม่คิดนึกปรุงแต่งเลยเหลือแต่รู้อยู่เฉยๆนะ ท่านบอกให้ทําใหม่ทาใหม่ก็มันนึกได้ให้ไปรู้เอาให้ไปดูเอานะจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้นะจิตใจดีจิตใจชั่วรู้อย่างที่มันเป็นพวกเรารู้ได้ทุกคนหลวงปู่บอกเลยว่าการปฏิบัตินะ่ะไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติพวกเรารู้จักโกรธไหมใครเคยโกรธบ้างยกมือสิคนไหนเคยโกรธแต่คนไหนไม่ยกมือเดี๋ยวจะถามว่ามันไม่โกรธจริงหรือเดี๋ยวจะด่าให้นะหรือว่าจะโกรธไม่โกรธ เราก็รู้จักใช่ไหมโกรธเป็นไงเราก็รู้จักโลภเป็นไหมโลภโลภเมื่อกี้ถวายสังฆทานอยากได้บุญเยอะๆั้ยโลภนะโลภนะเคยดูแต่โลภแบบนี้ก็ยังดีนะทำความดีแล้วก็อยากได้ผลเยอะๆนะถวายหนึ่งถังอยากถูกลัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอะไรอย่างนี้นะให้รู้ทันเนี่ยมันโลภให้รู้ทันหรือถวายสังฆทานอยากได้นิพพาน ใจ <_ an> มันอยากขึ้นมาใจมันโลภขึ้นมาให้รู้ทันพวกเรารู้ได้อยู่แล้วนะโกรธเป็นไงพวกเราก็รู้โลภเป็นยังไงพวกเราก็รู้ฟุ้งซ่านเป็นยังไงพวกเราก็รู้จักหดหู่พวกเราก็รู้จกันะ ก, ก, จกอิจฉาเป็นไหมอิจฉาเป็นหผู้ชายเคยอิจฉาไหมผู้ชายคนไหนไหม่เคยอิจฉามีไหมไม่มีหรอกคนมันก็ต้องอิจฉาบ้าง <_ an> ใช่เครียดเป็นไหมเครียดเซ็งเป็นไหม <_ an> ขยัแขยงเป็นไหมขยักขยงเรียกความรู้สึกในใจนะพวกเรารู้จักอยู่แล้วต่อไปนี้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจให้รู้เอาความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันโลภโกรธหลงเกิดขึ้นรู้ทันฟุ้งซ่านเกิดขึ้นรู้ทันหดหูกเกิดขึ้นรู้ทันอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ทันนี่แหละเรียกว่าดูจิตดูจิตไม่ใช่ไปดูตัวผู้รู้นิ่งอยู่เฉยๆนะ แล้หลวงพ่อไปทํามาแล้วหลวงปู่บอกว่าทําผิดแล้วหลวงพ่อก็มาดูจิตมันทํางานเดี๋ยวสุขสุขก็ไม่เที่ยงสุขก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปตอนทุกข์ทุกข์ก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะดีก็ไม่เที่ยงนะ โ, โ, โลบโลดหลงก็ไม่เที่ยงอะไรๆที่เกิดขึ้นในใจเรามีแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยแล้วมีแต่ของบังคับไม่ได้สั่งให้สุขสั่งได้ไหมสั่งให้สุขจงมีความสุขตลอดเวลาสั่งซิ มันเชื่อไหมสั่งไม่ได้คําว่าสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้คือคําว่าอนัตตานะอนัตตานี่มันไม่อยู่แนวํานาจบังคับดูกายเราจะเห็นทุกข์ได้ชัดนะดูจิตเราจะเห็นอนิจจังกับอนัตต์ดได้ชัดจิตเราเนี่ยเราสั่งให้สุขมันก็ไม่สุขห้ามทุกข์มันก็อย่างทุกข์สั่งให้ดีมันก็ไม่ค่อยจะดีห้ามชั่วมันก็ชั่วอย่างบางทีเราตั้งใจว่าจะไม่โกรธแป๊บเดียวก็โกรธใช่ไหมตั้งใจว่าจะไม่ฟุ้งซ่านแป๊บเดียวก็ฟุ้งซ่าน เราห้ามไม่ได้ตรงที่ห้ามไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตาการดูจิตเนี่ยก็คือการรู้ทันนะรู้ทันจิตใจของตัวเองให้เห็นเลยว่าจิตใจเราเป็นของไม่เที่ยงนะจิตใจเราเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นะนี่ถึงจะเรียกว่าการเจริญปัญญานะถ้าไปรู้ตัวเฉยประคองความรู้สึกตัวนิ่งๆเฉยๆอยู่นั่นั น, นทำผิดหลวงพ่อผิดมาแล้วหลวงปู่ชี้หน้นาาผิดนะแทรก แ, งแซงแทรกแซงจิต นี่พอได้เคล็ดลับท่านบอกให้ดูผมพ่อเข้ามาดูเลยจิตสุขก็รู้ความสุขหายไปก็รู้กลายเป็นจิตเฉยเฉยจิตเฉยเฉยอยู่ช่วคราวก็หายไปเป็นจิตเป็นทุกข์จิตเป็นทุกข์อยู่ชั่วคราวหายไปเป็นจิตเฉยเฉยอีกละจิตเฉยเฉยหายไปจิตเป็นสุขอีกละมันเปลี่ยนของมันเองมันเปลี่ยนตลอดเวลานะจิตใจเราตาเรามองเห็นจิตมันก็เปลี่ยน หูได้ยินเสียงจิตมันก็เปลี่ยนจะโหมได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสจิตมันก็เปลี่ยนจิตใจเราไปคิดจิตก็เปลี่ยนเวลาเราคิดถึงคนบางคนเรามีความสุขเป็นไหมคิดถึงคนบางคนนะเราเกลียดเข้าไส้เลยจิตใจมีความทุกข์ขึ้นมาเนื้อใจมันไปคิดนะจิตก็เปลี่ยนตาเราไปมองเห็นจิตก็เปลี่ยนเห็นของสวยของงามจิตมันชอบเห็นของไม่สวยไม่งามนะจิตมันเกลียดได้ยินเสียงแบบนี้ชอบได้ยินเสียงอย่างนี้เกลียด เนื uh, ตาหูจหมูกลิ้นกายใจเรามันมีอยู่ทั้งหกช่องมันกระทบอารมณ์อยู่ตลอดเวลานะทั้งวันทั้งคืนกระทบอยู่ตลอดเลยนั้นจิตเราก็กระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาตามองเห็นรูปจิตก็หวั่นไหวยินดียินร้ายขึ้นมาสุขทุกข์ขึ้นมาดีชั่วขึ้นมาหูได้ยินเสียงนะจิตก็ห ว, ว, วั่นไหนะวสุขทุกข์ดีชั่วยินดียินร้ายขึ้นมาใจเราไปคิดนะจิตก็หวั่นไหวยินดียินร้ายขึ้นมานะดีชั่วขึ้นมาสุขทุกข์ขึ้นมา ให้คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆจิตสุขก็รู้ก็จะเห็นว่าเอื้อมสุขก็ชั่วคราวนะจิตทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวอย่างนี้ก็ใช้ได้หรือเห็นว่าบังคับไม่ได้นะสั่งมันไม่ได้สั่งให้สุขมันก็ไม่สุขห้ามทุกข์มันก็ยังทุกข์สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นะเนี่ยเฝ้าดูของจริงลงไปด้วยการที่เราดูของจริงมากเข้ามากเข้านะถึงวันหนึ่งจิตมันจะยอมรับความจริง ยอมรับความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกร่างกายนี้นะเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวกินอาหารเดี๋ยวขับถ่ายเดี๋ยวดื่มน้ําเข้าไปนะกลายเป็นเหงื่อปปเป็นแบบสวะเป็นอะไรออกมานะธาตุมันหมุนตลอดเวลาไม่ใช่ตัวใช่ตนด้วยนะแล้วก็มีแต่ก้อนทุกถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเนะี่เฝ้าดูลงไปด้วยนะจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ ของดีของวิเศษอะไรเลยเราสั่งมันไม่ได้จริงหรอกนะมันถูกความทุกข์บีบคั้นเราก็ดิ้นตะกายหนีความทุกข์ไปทีละนิดทีละนิดหายใจออกไปเรื่อยๆก็ทุกข์ก็ตะกายหายใจเข้าหายใจเข้าไปเรื่อยก็ทุกข์หายใจออกอีกะจะนั่งก็ทุกข์นะก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถจะยืนจะเดินจะนอนก็ทุกข์แค่ดูไปด้วยนะจะเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์นะไม่ใช่ตัวเราที่ไหนเลยสั่งมันไม่ได้หรอก จิตใจก็เหมือนกันมีแต่ของไม่เที่ยงแปรปรวนตลอดเวลานะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปใจเราก็เปลี่ยนตลอดเวลาเลยนะสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้เฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยนะซ้ําแล้วซ้ําอีก7วัน7เดือน7ปีดูไปเถอนะถ้าบารมีแก่กล้าก็าใช้เวลาน้อยกว่านั้นถ้าบารมียังไม่แก่กล้าก็ใช้เวลามากกว่านั้นะบางคนก็ใช้เวลาไม่นานก็จะเห็นแจ้งขึ้นมาว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา ใจนี้ใจนี้มันเป็นแค่ก้อนธาตุทั้งหมดเลยนะร่างกายก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมตั้งอยู่ในอากาศสธาติในช่องว่างจิตก็เป็นธาติจะเป็นธาตุรู้นะมัเป็นธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นอย่างนี้เราจะได้ธรรมมาเบื้องต้นนะจะเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันไม่ใช่ว่านั่งสมาธิเก่งแล้วเป็นพระโสดาบัน นั่งสมาธิได้ก็ดีนั่งสมาธิแล้วนิ่งอยู่เฉยก็ไม่ได้เรื่องอะไรต้องมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากเลยจนป็นเห็นความจริงของกายของใจแล้วนะมันก็จะเป็นพระโสดาบันได้ไม่ใช่เรื่องยากนะหลวงปู่สอนเลยว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่พี่นี่อ่านจิตตนเองให้อ่านเอา จิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้นะจิตจะ เ, เป็นยังไงรู้ไปด้วยถึงวันหนึ่งปัญญามันแทงตลอดลงไปจิตมันเป็นเองกายเนื้มก็เป็นก้อนธาตุนะธาตุไหลไปเรื่อยบังคับมันไม่ไดนะ้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นมันอยู่ตลอดจิตก็เป็นไม่ใช่ตัวเราทํางานได้เองแปรปรวนตลอดเวลาตัวอย่างนี้นะดูไปเรื่อยวันนี้เอาแค่พระโสดาก็พอนะ ถ้าได้โสดาสแล้วก็ามาเรียนต่อหนะลวงพ่อหน้าบุญนะมาเรียนจากหลวงปู่เนี่ยพอเรียนจากหลวงปู่เสร็จแล้วจะเอาไปคุยกับลูกศิษย์หลวงปู่ด้วยกันว่าหลวงปู่สอนอะไรนะเเราก็พบอย่างนะหลวงปู่สอนแต่ละคนไม่เหมือนกันแ้วเค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตไปอ๋อธรรมะมันมีขั้นมีตอนนะ เรื่องต้นนะมาดูให้เห็นว่ามันไม่มีตัวมีตนมันไม่ใช่ตัวเรากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราดูางนี้ก่อนเรื่องปลายก็ดูไปกายนี้เป็นตัวทุกข์ใจนี้เป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นทุกข์เมื่อไหร่ก็ใจมันก็ปล่อยถ้าไม่เห็นทุกข์ใจไม่ปล่อยก็ยังยึดถือกายยึดถือใจอยู่นั่นแหละครั้งสุดท้ายที่มากราบหลวงปู่นะวันก่อนที่ท่านจะมรณภาพ มาหาท่านตั้งแต่บ่ายๆนะแล้วท่านก็สอนไปเรื่อยนะจนคน่าเลยส่วนท่านนั่งหอบนะท่านไม่สบายอยู่แล้วนะกลับจากลงไปงานชุรามาไม่นานนะนั่งหอบหอบหอบอยู่เราก็สงสารหลวงปู่มากเลยบอหลวงปู่ครับหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วผมจะกลับนะละหลวงปู่บอกเลยยังกลับไม่ได้นะต้องจําไว้ก่อนการปฏิบัติเนี่ย พบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนัสอนลงตรงนี้เข้าใจไหมบอกไม่เข้าใจครับแต่จะจำไว้เออจำไวนะ้นะนั่นสั่งอย่างนี้นะเรื่องการปฏิบัตินะมันมีขั้นมีตอนมันนะเบื้องต้นดูใจดูใจมันทำงานเดินเห็นมันเป็นคนอื่นแล้วมันไม่ใช่เราหรอกนะเราไม่มีหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุนะเบื้องปลายก็ดูความจริงลงไป ซัฟกฟอกด้วยสติปัญญาลงไปในกายในใจนี้มากเข้ามากเข้าก็เห็นแจ้งกายนี้เป็นตัวทุกข์จ plein. ใจนี้เป็นตัวทุกข์ถ้ารู้ว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์ใจนี้เป็นตัวทุกข์ร เ, ก เ, กเรียกว่ารู้ทุกขสัตว์ น, นะรู้ทุกขสัตว์ถ้ารู้ทุกขสัตว์แจมแจ้งเมื่อไหร่นะก็ละสมูทัยเมื่อนั้นเลยละสมูทัยละความอยากได้เมื่อนั้นเลยละสมูทัยเมื่อไหร่นะจะแจ้งนิโรธเมื่อนั้นเลยแจ้งนิโรธเมื่อไหร่ น, รนะเกิดอริยมรรคเมื่อนั้นเกิดอรหันตมรรคเมื่อนั้นเลย เกิดในขนาเดียวกันทั้งหมดเลยรู้ทุกราสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคในขนาจิตเดียวนั่นะนะแล้วมันจะคว่ำวัฏตะที่หมุนอยู่ในจิตเรานั้นจะถล่มทลายลงเลยแลจิตจะเป็นอิสระออกมาต้องฝึกนะถ้าเป็นชาวพุทธแล้วมีโอกาสได้ฟังทำแล้วไม่ฝึกนี่นะเสียดายที่สุดเลยเสียโอกาสที่สุดเลยพวกเรามีโอกาสดีแล้วนะ วันนี้เราได้ทำทานนะมาถวายสังฆทานเรารับศีลนะก็ดีได้ศีลพก็มหักภาวนานมีทานมีศีลมีภาวนาหัดภาวนานะเบื้องต้นคอยรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวได้อย่าใจลอยอย่าใจลอยนา น, นพุโทโธพุโทโธใจหนีไปเรารู้หายใจไปใจหนีไปเรารู้พอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูความจริงของกายของใจดูกายมันทํางานดูใจมันทํางาน สุดท้ายมันจะเห็นเลยตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีก็ได้ธรรมะขั้นต้นแล้วตัวอะไรที่มีตัวทุกข์ตัวเราไม่มีมีแต่ตัวทุกข์ถ้าเห็นอย่างนั้นจะได้ธรรมะสุดท้ายเลยจิตจะปล่อยความยึดถือทั้งหมดทั้งสิ้นเเป็นอิสระมีความสุขอันมหาศาลต้องฝึกนะให้ได้ให้ครบนะทำทานถือศีลแล้วหักภาวนาเข้าภาวนามีสองอัน อันหฝึกให้จิตใจตั้งมั่นขึ้นมาอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าได้สมาธิมีสติมีสมาธิขึ้นมางานหนึ่งเจริญปัญญาดูความจริงของกายดูความจริงของใจเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานมีภาวนามีทานมีศีลมีภาวนาภาวนามีสองอันอันหนึ่งฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าได้สมาธิอีกอนหนึ่งฝึกให้เกิดปัญญา เห็นความจริงของกายของใจถ้ามีโอกาสแล้วนะมาหัดภาวนาเขาอย่าให้เสียชาติเกิดคนสุรินไม่ใช่โง่นะหลวงพ่อณัฏเวนศึกษาจากครูบาอาจารย์มหาสารเลยนะเที่ยวไปทั่วเลยพบเลยคนสุรินเนี่ยมีธาตุของปัญญาสูงนะมีธาตุทอทงนะไม่ใช่ทอทห า, าสรสาอาสารเลยคือเรามีมีปัญญาโดยพื้นฐานเนี่ยสูงคนสุรินนะ ทางความเป็นอยู่อาจจะจนกว่าคนอื่นนะแต่สติปัญญาไม่จนนะสติปัญญาจะเข้มแข็งมากเลยงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์สอนเราก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนที่ดีของเรานในหลวงพ่อมาสอนแล้วเราใช้สติใช้ปัญญาของเรานะคนสุรินทร์ก่อนภาวนาเก่งมากนะคารวาะก็ภาวนาเก่งไม่ใช่ภาวนาไม่เป็นนะตาก็ภาวนาเยอะแยะเลยสมัยก่อน มาวันนี้ก็ลมหายตายจากไปเกือบหมดแล้วกนะ็วเหลือพวกเราพอน้ําไม่ค่อยเป็นกหัดเอานะข้าวฝึกเข้าวันนี้เทศเท่านี้ก็พอแล้วนะสี่สิบห้านะสี่นึ่งชั่วโมงกว่ากว่าเทศยาวเดี๋ยวเวียนหัว ม, มีคนจะส่งกันบ้านส่งกันบ้านเนี่ยบางคนสงสัยทาไมต้องส่งกันบ้าน ความจริงการเรียนกรรมฐานสนะมัยก่อนนะไม่ใช่ไปนั่งฟังเทศนะการเรียนกรรมฐานเนี่ยเข้าไปหาครูบาอาจารยนะ์ไปถามนะท่านตอบถามตอบถามตอบกันนะไม่ค่อยได้เทศหรอกยิ่งหลวงปู่ดูลยนั้นไม่ขึ้นธรรมมาเทศเลยนะท่านไม่ชอบเทศเลยแต่ถ้าไปถามแนละ้วท่านตอบคมที่สุดเลยเพแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคนเรียนกรรมฐานมันมีน้อยย่องย่อ ง, องไปถามครูบาอาจารย์ได้แต่มายุคนี้คนเรียนกรรมฐานเยอะนะ เวลาถามมาฟังทำทีหนึ่งเนี่ยถูฟังทำทิ้งเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยมาถามทีละคนทีละคนถามไม่ไหวก็ต้องมาถามอยู่ในที่ประชุมชนอย่างนี้เลยช่วยไม่ได้แล้วล่ะก็ต้องกล้าหาญหน่อยบางคนสงสัยอยากถามมากเลยแต่ว่ากลัวใหม่กลัวใหม่ไม่กล้าพูดกล้ากล้าหน่อยถ้ามีอะไรก็พูดมาอย่า ก, กลัวโง่อย่า ก, กลัวขายหน้านะ กัวงโง่แล้วก็โง่ตลอดการเลยเอาความโง่ออมาอวดกันนั่นจะได้ฉลาดนะงั้นบางคนไม่กล้าพูดกับหลวงพ่อหรอกกลัวถูกเปิดโป ง, งจริงไม่เปิดโปงใครหรอกนะถ้าเปิดก็คงเละเทะเลยไม่เปิดหรอกเอาใครจะถามเชิญหลวงพ่อครับเวลาเราดูคนอื่นแล้วมาดูตัวเองมันไม่ใช่ตัวเรานี่มันใช่เจริญปัญญาครับ ตอนี้มันยังไม่ใช่นะเนี่ยจิตมันยังไม่ตั้งมั่นรู้สึกไหมว่าจิตของเราเนี่ยไม่ธรรมดาในขนาดนี้รู้สึกไหมจิตมันต่างกับธรรมดายัางไงเราปรัคองไว้เรารักษาไว้นะเรารักษาให้กลัวมันจะไหลไปกลัวมันจะตื่นเต้นนะเราไปกดมันไว้ต้องไม่กดนะแล้วจิตเนี่ยต้องเข้าฐานจริงๆเลยคือถ้าจิตไม่เข้าฐานเนี่ยหมาเราไม่มีสมาธิพอจิตจะกระจายกว้างๆางออกไป จังที่จิตกั่ใจกว้างๆนะรู้สึกสบายนะแล้วสบายอยู่งั้นเรื่อยๆไปเลยมันไม่ย้อนมาดูกายดูใจพยายามรู้สึกเข้ามาในกายรู้สึกในใจนะลองหายใจซิแล้วามรู้สึกตัวจับไว้ที่ลมหายใจแล้วหายใจกลับเข้ามาเออค่อยๆกลับเข้ามานะแต่อย่ากลับเยอะกลับเยอะจะแน่นเกินนะพอจิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยดูเขาทํางานไปจิตไหลไปคิดแล้วยัง เมื่อกี้เนี่ยสังเกตหมตถ้าจิตไหลไปคิดนะเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจเราก็ลืมเมื่อไรลืมกายลืมใจนะอันนี้ศัตรูเบอร์หศัตรูเบอร์สอเพ่งกายเพ่งใจขณะนี้เพ่งอยู่ไหมมันแน่นๆน่ถ้าแน่นขึมม้นมาเมื่อไหร่นะเพ่งมานั้นเลยอึดอัดไหมรู้สึกสบายดีไม่ทันครับเออใจใจขณะนี้เหมือนใจตอนที่อยู่ธรรมดาไหมดูออกเปล่า ถ้าดูไม่ออกดูกายเห็นร่างกายมันยิ้มยิ้มสิยิ้มยิ้มหวานยิ้มแบบถูกรัตตรี่รางวัลที่หนึ่งยิ้มสิเ อ, อยิ้มแล้วเห็นร่างกายมันยิ้มอยู่นะพยักหน้าเห็นร่างกายมันพยักหน้าค่อยรู้สึกอยู่ที่กายเรื่อยๆนะนี่จิตมันจะได้กลับมารู้สึกกายบ่อยๆเราต้องฝึกให้จิตเข้าบ้านก่อนให้จิตตั้งมั่นให้จิตถึงฐานก่อน ถ้าจิตเรากระจายบ่างออกไปนะยังเดินปัญญาไม่ได้จริงหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วสุดเอาร่างกายมาช่วยดูกายไว้นะดูกายบ่อยๆนรรการหลวงพ่อค่ะคือโยมมีปัญหาที่ว่ามันจะเกิดสติอัตโนมัติแล้วมันไม่สามารถที่จะโยนิสูมันสิการแบบให้มา ที่เดิมได้ไหมะอะทำอะไรให้มันมาที่เดิมมาเป็นสติอัตโนมัติได้ให้ทำไม่ได้นะถ้าจงใจทำมันไม่อัตโนมัติหรอกแล้วอย่าไปอยากได้มันหายไปเลยค่ะออถ้าอยากได้นะมันไม่มาอีกแล้วชาติเนี้ยมันไม่ได้ได้เพราะอยากนะมันได้ตอนที่ไม่ได้อยากเพราะงั้นเราภานาไปเรื่อยทำเหตุไปเรื่อยนะส่วนสติจะเกิดไม่เกิดเรื่องของสติไม่ใช่เรื่องของเรา แต่บางทีเราเกิดสภาวะธรรมแล้วจิตตั้งมั่นรู้ตัวขึ้นมาสติว่องไวอัตโนมัติทํางานแล้วนะแล้วแต่ ม, มันเสื่อมไปเราอยากได้ขณะที่เราอยากได้เนี่ยสติไม่เกิดหรอกเพราะว่าความอยากมันเกิดกิเลสมันเกิดซะแล้วสติไม่เกิดนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิไปนั่งขับเพียบ ม, ม่เป็นหรอกใครจะนั่งขัดสมาธิก็ได้นะไม่ว่านะหรือถนัดนั่งอย่างหลวงพ่อคูณก็ไม่ว่านะมันไม่อยู่ที่ท่านั่งหรอก แ้องไงอีกแล้วมันไม่สามารถที่จะตรวจได้ว่าเขามองเข้ามาเป็นไม่หไหมว่ากายกับใจมันแยกกันแยกได้ไหมดูวอกไหมก็พอจะได้บ้างเออนะขันมันแยกเป็นแล้วถ้าขันมันแยกได้แล้วเอย่าไปโลภนะดูมันทํางานไปเรื่อยอย่าไปหวังว่ามันจะดีเมื่อนั้นเมื่อนี้ะเนี่ยเห็นไหมมันพยักหน้าเห็นไหมมันเคลื่อนไหวเห็นไหมมันขยับมือขยับเท้ามันต้องมองไปที่กาย กลับไปคืนเลยคะ่ะดูกายไปก่อนพอดูร่างกายไปนะพอจิตมีเรื่องมีแรงนะพอจิตมันขยับก็เยือนเคลื่อนไหวอย่างนี้จิตไหลไปคิดไหมเน้่จิตไห ล, ไ ป, นะหหลไปคิดเนี่ยให้รู้ทันว่าโอ้ไหลไปคิดแล้ะดูจิตได้อยู่ดูจิตไปเลยดูจิตที่ก็คือจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นสติก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้นะไม่มีอะไรสั่งให้เกิดได้เลย เวลาที่สภาวะธรรมเกิดเนี่ยแล้วเราไปจําได้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่ลําบากที่สุดเลยอย่างบางทีเกิดมากเกิดผลอะไรเราไปจําไว้นะพอพานาไปมันใกล้ๆตรงนี้นะมันรุนละรอุ้ยเดี๋ยวอีกงนิดเดียวจะได้มรักล้ได้ผลแล้วไม่มีเลยเสื่อมหมดเลยเล้เทําไปเรื่อยพานาไปเรื่อยจนมันหมดความคาดหวังนะหมดความคิดว่ามันจะต้องทําได้ทําทำไม่ได้หรอก ไอเกตไหมว่าใจเราไม่คงที่เห็น<ช>ไหมมันมีความพอใจขึ้นมาตรงที่ว่ามันทําไม่ได้เงี้ยมีความพอใจผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็รู้ทันว่ามันพอใจมันสบายใจเออทําไม่ได้เว้สบายใจองนี้นะอย่างนี้ถล่มลงไปดูหรือเปล่าส่งจิตลงไปดูหรือเปล่าให้รู้ทันจิตไปเรื่อยๆนะถ้าจิตถล่มลงไปก็เรียกจิตไม่ตั้งมัน่น หลวงพ e ่อเขเคยทําผิดนะได้ยินหลวงปู่ดุลท่านสอนบอกอย่าส่งจิตออกนอกแต่ส่งเข้าข้างในส่งไปไว้ข้างในไปเจอหลวงปู่สิมแล้วหลวงปู่สิมบอกว่าให้ออกมาข้างนอกเลยองค์หนึ่งว่าไม่ให้ออกนอกองค์หนึ่งบอกให้ออกมาข้างนอกตอนหลังนึงรู้ว่าส่งเข้าไปข้างในก็ผิดส่งนอกก็ผิดนะส่งไปข้างในก็ผิดถ้าสํานวนหลวงปู่ดุลยเนี่ยจิตส่งเข้าข้างในนะไปค้นอะไรอยู่ข้างในท่านก็เรียกว่าจิตออกนอกนะ ตอนนี้จิตไปไหนคิดเห็นไหมให้รู้ทันอย่างนี้นะจิตไหลไปคิดแล้วรู้จิตไหลไปคิดแล้วรู้ไปฝึกบ่อยๆอย่าหวังว่าสติจะเกิดนะสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้มันเกิดเองมันเกิดเพราะว่าเราเห็นสภาวะบ่อยๆ เ, เห็นสภาวะบ่อยๆต่อไปพอสภาวะอะไรเกิดเนี่ยมันรู้เองโดยไม่ได้เจตนาจะรู้นั่นแหละสติอัตโนมัติอาฝึกจนสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติฝึกไปเรื่อย มันเป็นเองนมัส ก, การหลวงพ่อครับวันนี้พาคุณพ่อคุณแม่มาฟังธรรมด้วยครับตามที่ตั้งใจไว้ครับออผมปฏิบัติมาจนเห็นว่าใจนะครับมันกลัวเวลาทะยานอยากไปปับ๊บมันจะเจอทุกข์นะครับ <ừ> แล้วก็ทางด้านร่างกายที่จะเห็นอนัตตาการบังคับไม่ได้ซึ่งล่าสุดนี้ก็ใจป่วย แล้วก็พากายป่วยไปด้วยออพออาทิตย์ถัดมากายยังป่วยอยู่แต่ว่าใจเบาขึ้นแล้วครับ อ, อ, อยากขอการบ้านหลวงพ่อต่อครับขอบุท า, ท, ทางต่อที่ทำอยู่ใช้ได้แล้วนะอยู่ที่ทำให้มากนะทำให้สม่ำเสมอนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้ที่ทำไปที่ทำมานะถูกแล้วนะทําให้สม่ำเสมอไป โอกาสจะทำได้มันก็มีพ้ามันทำถูกมันก็ทำได้แล้วทำถูกก็ทำให้มากทำถูกด้วยทำบ่อยด้วยทำมากนะมันก็ได้ผลทำถูกแต่นานๆทำทีมันก็ไม่ได้ผลถ้าทำผิดนะห้ามขยันนะส่วนมากพวกที่ขยันเนี่มักจะทำผิดอู่สิมนอาบพลับตรงนี้ผมกลัวทำผิดเนี่ยนะครับยังไม่ผิดหรอกเห็นไหมว่าขันมันแยกได้ เห็นแล้วครับนั่นแหละขันมันแยกแล้วไม่กลัวอะไรอ่ะดูขันมันทํางานต่อไปเนี้ยบางทีใจร้อนนะครับเออโลภเน่ยสิครับใจร้อนไม่มีอะไรเหลือเลยแต่เห็นจิตที่เคยเป็นจิตอันตรพานชอบปรามาดคนอื่นอะไรง่ายครับตอนนี้ก็เริ่มเบาบางแล้วเบาไม่เบาเรื่องของมันครับเราอยู่ที่รู้ทันครับตอนนี้ก็เริ่มเบาแค่รู้ทันนะรู้ทันเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราหรอกมันทํางานเองครับ อยู่ๆก็ประมาตรเขาไปทั่วะอะครับกราบหลวงพ่อค่ะหนูนึกฝึกตามที่หลวงพ่อสอนมาหลายปีแล้วค่ะก็เคยไปกราบหลวงพ่อที่สวนสันติธรรมหลวงพ่อบอกว่าเออมันมันอยากมันอยากผลทุกข์นะคะหนูก็คอยสังเกตความอยากของตัวเองรู้สึกว่ามันคลายแล้ว ปฏิบัติไปเรื่อยๆอยู่ไกลหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปกราบหลวงพ่อนานค่ะก็คอยสังเกตตัวเองเรื่อยๆก็เริ่มรู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ถูกแล้วล่ะขาแบบมันมันเห็นได้ว่าขันมันก็แยกได้ขะเห็นค่ะอขันมันแยกนะแล้วก็ดุพอขันแยกได้นะมันก็เดินปัญญาได้จริงแล้ว ก็จะเห็นเลยขันแต่ละขันนะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันไม่ใช่เราดูไปเรื่อยๆจนในที่สุดจิตมันก็สรุปเลยไม่มีเราตรงไหนเลยร่างกายก็ไม่ใช่เราสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เรานะดีชั่วก็ไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนรู้คนดูก็ไม่ใช่เรามันก็ทํางานเองนะขันแยกได้ก็ดีแล้วอาจารย์มหาบัวพูดเลยนะว่าแยกธาตุแยกขันไม่ได้อย่ามาคุยกับเรานะว่าเดินปัญญาไม่ได้เดินหรอกตอนนี้ขันมันก็แยกได้ก็ดีแล้วล่ะ แต่มันใจยังโลภอยู่ใจมันถึงฐานไหมคะหลวงพ่อถ้าใจไม่ถึงฐานขันไม่แยกเออตอนหนูเคยพอดีหนูไปปฏิบัติธรรมแล้วฟังครูบาอาจารย์เทศนะคะนั่งนั่งฟังอยู่แล้วมันมันใจมันเป็นสมาธิมันนิ่งนิ่งลงไปแล้วก็มันเห็นว่าใจมันนิ่งแล้วกายมันกาย มันเห็นกายแล้วก็ใจมันนิ่งอะค่ะมันเป็นสมาธิธรรมดาเป็นสมาธิ ส, ธสินะบางทีครูบาอาจารย์เขาพิจารณากายนะพอมีสมาธิแล้วรู้ตัวอยู่เฉยอะไรเงี้ยไม่เดินปัญญาท่านพิจารณากายพิจารณาย่างกายแตกสลายไปบางองค์เผาเลยนะกำเนิดจิตเผ า, านดูปเป็นจนระเบิดร่างกายหายไปเลยเหลือแต่จิตพอล่างกายหายไปเหลือแต่จิตแล้วตอนที่จิตมันถอยออกจากสมาธิมันมีร่างกายขึ้นมาใหม่นะมันจะเกิดรู้ซึ้งขึ้นในใจเลยว่า กายกับจิตเนี่ยคน ล, ละอันกันจะแยกขันได้น ะ, ะแยกขันเป็นแล้วไปดูต่ อ, อยังโลภอยู่มันยากคุณขอบคุณค่ะกลาบ น, นมัสการหลวงพ่อค่ะโยมปฏิบัติสมถะมาตั้งแต่ปีสามสิ น, นะคะขณะนั้นได้สมถะหมายถึงว่าจิตจะมีสมาธิ ทีนี้ไปสะกดจิตตัวเองคือครูบาอาจารย์บอกสะกดจิตตัวเองไปเพ่งที่น า, านะคะ mm hmm. ก็ติดอยู่อย่างนั้น mm hmm. แล้วขณะที่ติดเดืองนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ถามสอบถามครูบาอาจารย์ก็ก็นั่งสมาธิด้วยตัวเองอะไรมาตลอดแล้วก็เห็นการเกิดดับคือเหมือนเราดูสไลด์ข้างในนะคะมาเป็นปีๆ ตั้งแต่ปี30ด้วยเรื่อยมาก็ล้มลุกคลานเรื่อยมาจนถึงปี49ก็ได้ซีดีหลวงพ่อฟังนะคะจนถึงปี52คือฟังมาตลอดตั้งแต่ปี49เขณะที่ตัวเองหนักโดยหน้าผาเนี่ยเวลาเรานั่งจะหนักลงมาแต่การทำสมาธิหรือว่าที่หลวงพ่อได้สอนให้ดูการเคลื่อนของจิต ข, ของใจที่ คิดไปอะไรงนี้จะเป็นไปตามที่หลวงพ่อสอนเป็นระยะระยะมาตลอดตัว ต, ตัวนี้ต้องไม่ไปกดมันนิ่งนะะก็ <c oughs> ปล่อยทีนีอ้อันนี้จะไม่เกี่ยวกับเรื่องเพ่งที่หลวงพ่อสั่งให้งดทํานั้นใช่ไหมคะเป็นคนละเรื่องกันมันเพ่งมาจ <c oughs> นกระทั่งมันติดอ่ะค่ะอะ <c oughs> นี่เป็นผลจากการเพ่งนะั่นแหละเราไปเพ่งจิตมัน เ, เพ่งอะไรเข้าไปนี่นิ่งหยุด <c oughs> จะแข็งแข็งทื่อๆยังไม่หมดดีอย คทีนี้โยมจะทำอย่างไรที่ตรงนี้ค่ะจะให้คืนเวลานี้โยมก็ใช้วิธีดูลมหายใจนะคะทีนี้มาติดอยู่อีกอันหนึ่งคือว่าเมื่อกายจิตแยกกันโดยแรงของสมาธิได้แล้วเนี่ยโยมเห็นจิตเห็นจิตเนี่ยมันเห็นอยู่ณนะตอนนั้นทีนี้ก็ไปเพ่งไปเพ่งตัวผู้รู้ตอนนี้มันก็เลย มวนกลับไปคือเป็นปลาไม่เห็นน้ําเป็นนกไม่เห็นฟ้าแล้วทําไงอาจารย์แปลกวาดบ้านถูบ้านเขาไปทํางานก็นะลืมเรื่องภาวนาไปแล้วทํางานกวาดบ้านถูบ้านซักผ้านะเห็นร่างกายมันทํางานใจเราเป็นคนดูสบายๆให้มันคลายออกคือนี่มันม้วนเข้าไปล็อกไปข้างในก็ใช้วิธีการทํางานคือการปฏิบัติธรรมนะคะทีนี้ต้องลืมเรื่องปฏิบัติด้วย ต้องใจกล้าๆนลถ้าติดสมาธิมากเลยนะพ่อบอกไปทำงานไปอะไรนะเคลื่อนไหวเข้าไปลืมเรื่องภาวนาไปก่อนต <c oughs> อนี้ยังล็อกอยู่ขอความอุทธรณงพ่อด้วยค่ะเพราะมันเป็นสิบกว่าปีแล้วคือถ้า <c oughs> เราไปขยับซ้ำๆทำอะไรซ้ำๆนะโอกาส <c oughs> เพ่งเนี่ยเยอ ะ, <c oughs> ะไปหางานทำไป เล่นไหวไปทํางานไปเข้าครัวหูเข้าอะไรทําอะไรไปเรื่อยๆน ะ, ะทำไปแล้วก็ชักโมโหโคนอื่นเหมือนไม่ทํากินอย่างเดียวไม่ช่วยอะไรอย่างนี้ น, นะมันมันโมหโหไม่ได้แล้วเพราะมันบบมันเห็ น, เ ห, นเห็นตัวโกรอเห็นอะไรพวกนั้นแล้วก็มันก็ดับไปแล้วคือตอนนี้มันก็ไม่ไม่เพระถ้าเลิกเพ่งเดี๋ยวก็โมหโมหเองอะขนาดนี้ตะกี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วดูออกไหมเอออย่างนี้ดีกว่าตะกี้ แล้วจะต้องคือยังไม่ให้ทำอะไรเลยนะคะเกี่ยวกับดูลมหายใจก็ให้งดไปคือถ้าดูแล้วจงใจไปดูนะก็จะติดเพ่งต่อแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยแก่การติดเพ่งก่อนนะเพล่้นไว้ไปทำมาหากินทำงานอะไไป<น>เดี๋ยวฝ่ใจมันคลายแล้วค่อยกลับมารู้ลมใหม่ในกรณีที่โยมกำลังทำงาน เราเราเห็นแวบไปว่าจิตเคลื่อนไปไปรู้อย่างนี้ได้ใช่ไหมคือไม่ได้ไปนั่งทำํำแต่ทํางานไปมีสติระ ล, ลึกรู้อยู่กับปัจจุบันการเห็นเนี่ยมีสองเห็นนะเห็นนันหนึ่งเนี่ยตัวรู้เนี่ยถูกตรึงเอาไว้ อ, อันนี้ไม่ดีเลยอีกเห็นหนึงนะตัวรู้เองก็เกิดดับได้อันนี้ถึงจะดีนะอของโยมมันจะไปตรึงไอ้ตัวนี้ไว้แห่นเออนะต้องเลิกตัวนี้ก่อน ถึงไปเห็นเกิดดับนะตัวอื่นเกิดดับหมดเลยไอ้ตัวนี้เที่ยงอยู่ตัวเดียวใช่ค่ ะ, <น>ะเพราะว่า <นะ S 1> ขณะที่กายเราหายไปหมดเลยเนี่ยนะค ะ, <น>ะก็จะมีเตยงอยู่ตรงนี้มันเหลือตัวเที่ยงอยู่ตัวมึงไปสงวนตัวเที่ยงเอาไว้ต้องแก้ตัวเนี้ยแก้ได้วิธีเดียวแล้วใช่ไหมลืมมันไปก็เหมือนที่ครูบาอาจารย์สอนนะลืมมันไปก่อนนะไปทำอย่างอื่นก่อนค่ะกราบขอพระคุณ ครับการนั่งัชการเจ้าค่ะหลวงพ่อคือหนูปฏิบัติสมถะมนานนะคะแล้วก็ติดสมถะมานานมากแล้วก็ติดแล้วล่ะค่ะมากราบพระอาจารย์นะคะครูบาอาจารย์แนะนําว่าให้หยุดหยุดหยุดวิธีเดิมๆก่อนแล้วก็ให้มาเคลื่อนไหวอย่างแบบเร็วอะค่ะก็ปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์แนะนําเนี่ยที่หลวงพ่อบอกโยมเนี้ยหยุดวิธีของเก่าก่อนนะปิษหาอะไรทํางานเข้าไปเคลื่อนไหวเข้าไป แค่เป็นคลายตัวล็อกนี่ก่อนหนูก็ฟังซีดีหลวงพ่อค่ะให้ดูจิตค่ะประเภทจิตฟุ้งซ่านเพราะหนูเป็นคนคิดเยอะอะค่ะแล้วก็เริ่มดูจิตแต่ก็ก็ดูได้บ้างไม่ได้บ้างก็เห็นว่ามันวัยอะค่ะทันบ้างไม่ทันบ้างในแต่ละวันนะค่ะก็วันนี้ก็เถือโอกาสมากราบขอการบ้านจากพระอาจารย์ขอคําแนะนําจากไปทําหลวงพ่อว่าทำสูกแล้วไปทําอีกที่ทําอยู่น่ะดีขันก็แยกดูออกไหม เจ้าค่ะเคยเห็นค่ะแต่ก็กลับมารวมอีกกันอะไรอย่างเงี้ยรวมก็ช่างมันสิรวมก็รู้ว่ารวมนะแยกก็รู้ว่าแยกอย่่จงใจแยกนะถ้าจงใจแยกมันจะดึงตัวรู้ขึ้นมาตั้งนะถ้าดึงตัวรู้ขึ้นมาขันแยกไม่ได้จริงหรอกของปลอมก็เคยเห็นแต่มันเป็นแวบแล้วก็เวลาปัญญาเกิดเกิดแวบเดียวไม่เกิดนาน ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมาตรงนั้นคือใช่แล้วใช่ไหมคะเออใช่ปัญญานะแต่ไม่ใช่อริยมรักนะค่ะเดี๋ยวบอกใช่แล้วใช่แล้วบอกหลวงพ่อประมดรับรองแล้วได้โสดาแล้วไม่ใช่นะคือก็แวบหนึ่งแล้วก็หายไปค่ะน่นแหละเป็นการรู้ลู้กายกับจิตว่าเวลาปัญญามันเกิดมันเกิดแวบเดียวไม่เกิดยาวถ้าเกิดยาวคิดเอาเจ้ค่ะดีที่ฝึกอยู่ใช่ได้ปฏิบัติ ต่อไปแบบนี้ใช่ไหมครัคะค่ะกลับขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อสมถะเราไม่จริงนะถึงเวลาก็ทําสมถะตอนนี้ทําได้แนละ้วก็ไม่ติดครับอ้าวว่ามากรับน้มัสการครับหลวงพ่อครับก็แต่ก่อนก็คิดเยอะครับก็ปฏิบัติดูจิตมานะครับแต่ว่าอตอนนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเลยครับแล้วก็กดไว้ครับแล้วก็เพ่งไว้เยอะครับเพราะว่า เหมือนมันเร็วก็เลยกลัวตอนนี้ก็กลัวก็เลยเพ่งก็เลยกดไว้ด้วยเพราะว่าอ่ากลัวจะไขหน้าครูบาอาจารย์ก็อยากจะขอการบ้านครูบาอาจารย์นะครับจิตถึงฐานหรือเปล่าขนา น, นี้ครับจิตถึงฐานไหม อ, อ๋อตอนนี้ไม่ถึงครับตอนนี้ไม่ถึงถูกต้องใช้ได้ครับไปทําอีกนะครับแล้วถ้ารู้อย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วขันแยกหรือยังครับฮะเออ๋ย ได้แยกแยกบางหรือนเราไม่รู้เหรอเ อ, อก็รู้อยู่ครับแต่ว่าอยากได้การรับรองครับหลวงปูดด่โดนท่านเรียกว่าจิตมันอยากหาพยานใช <c oughs> ่ครับ <c oughs> เออมันแยกแล้วไปดูเอาครับ<ต>ครับแต่แยกได้ก็รวมได้นะใช่ครับมไม่ได้แปลว่าต้องแยกตลอดหรอกครับครับกราบขอบพระคุณครับแต่ถ้าเราฝึกไปถึงจุดหนึ่งนั้นจะแยกตลอดเลยไม่กลับมารวมหมดหรอกมันเหมือนเอากะทิมาเคี่ยวนะมันได้น้ํามันออกมาแล้วไม่รวมกันละ กลาวนมัสการครับหลวงพ่อเขอากาบส่งการบ้านครับเมื่อประมาณ3าสเดือ น, นที่แล้วได้ไปข อ, อการบ้านหลวงพ่อแล้หลวงพ่อบอกว่าจิตยังอยู่ที่นอกๆแล้วก็ให้ไปดูความฟุ้งให้ไปทําสมถะเพิ่มแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังง ง, ง, งๆเพราะว่าตอนไปส่งไม่รู้เลยว่าสิ่งสิ่งพวกนี้เราไม่ไม่เห็นเลยทีนี้ก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ตั้งแต่เริ่มการปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มต้นใจมันคิดเสมอว่าแบบไหนถึงจะดีแบบไหนถึงจะดีเสร็จแล้วพอ พอหลังจากนั้นก็ได้ได้รับคําแนะนำจากอาจารย์หมอ น, นั้นนะครับว่าให้เลือกสักอย่างหนึ่งเลยอืเขาเนี้มันก็ไม่ยอมอืมจนเมื่อเมื่อประมาณเดือนที่แล้วก็ดูดูเว็บไซต์เห็นลุงพ่อจะมาซุรินมาที่สามสิบก็เลยเอาแล้วว่าเอาสักอย่างก็เลยว่าอืก็เลยเอาพุโทโธเลยเออก็รู้สึกดีขึ้นนะครับเอาเป็นสักอย่างนะครับประฐานนะเบื้องต้นต้องเอาสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วก็รู้ทันจิตเอาพุโทโธพุธโทโธไว้จิต น, นีแล้วรู้อะไรเ้ยฝึกไป พุโทโธแล้วจิตที่สุขก็รู้พุโทโธแล้วจิตเป็นทุกข์ก็รู้พุโทโธแล้วจิตสงบก็รู้พุโทโธจิตฟุ้งซ่านก็รู้นะฝึกไปให้มันได้เด็ดเดียวเข้าไปเอาพุโทโธอย่างเดียวได้เลยใช่ไหมหลวงพ่ออาจารย์มหาบัวเคยบอกหลวงพ่อวนะ่ท่านพุโทโธตั้งแต่ต้นจนจบเลยก็ที่ที่ผมทําคราวนี้มันสมัยก่อนแรกๆที่ทําประมาณเริ่มเริ่มมาเข้าทางธรรมะก็เราสวดมนต์เยอะสวดมนต์ธรรมวัตเช้าเย็นเลยก็เลย หลังๆที่หลังจากเดือนที่แล้วก็เลยว่าเอานี้ก็พุโทโธอย่างเดียวแล้วกันพุโทโธไปนะแต่อย่าหวังผลครับพุโทโธไปแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยห้ามหวังผลเท่า น, นั้นแหละตอนนี้ทําอย่างนี้ไปก่อนนะครับมีอะไร อ, อย่าันยันนึกว่าจะดีนะมันคิดในใจว่าน่าจะดีเออ น, นั่นแหละมันคิดผิดอันนี้ยเราไม่ได้ฝึกเอาดนะีเราปฏิบัติเพื่อจะปฏิบตับ ต, บติบูชาพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาอะไรหรอก ถ้าเราหวังผลนะมันจะไม่ได้ผลจะช้าใจกล้าๆหน่อยโง่ก็ได้อมันกลัวมากเลยอย่าไปกลัวมันกลัวไม่รู้ก็คือหลังจากหลังจากวันนี้ไปก็ทาแบบนี้ไปก่อนหลังจากวันนี้ไปก็ทำแบบนี้ไปก่อนใช่ไหมหลวงพ่อใช่ยังยังไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมครับจิตมันยังไม่เป็นธรรมชาติธรรมดานะสังเกตออกไหมรู้ จิตที่ดีที่สุดก็คือจิตของคนธรรมดานั่นแหละและจิตของคนธรรมดานี่นะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันมันกลัวมันไม่เห็นไม่ได้มันกลัวมันอยากมันอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้นะให้รู้ทันอยากเลยตัวนี้แหละมันกั้นก็อยากนี่แหละมันห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้แต่ให้รู้ทันไม่มีใครห้ามได้อกตัวอะไรก็ห้ามไม่ได้ท่านี้ก่อนช่ไหครับหลวงพ่อช่วงน มุ่ขอบมาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้หลวงพ่อด้วยครับ yeah, yeah. กราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะโยมได้ฟังซีดีหลงพ่อเมื่อประมาณต้นปีนี้เองะคะแล้วก็ได้เข้าปฏิบตัติหมายถึงว่าการเข้าไปฝึกสมาธิแล้วก็เดินจงกรมแบบเป็นรูปแบบนี้ mm hmm. เมื่อประมาณเมษานะะ mm hmm. เสร็จแล้วก็จะเป็นปฏิบัติแบบพองยุบ mm hmm. แต่ว่ารู้สึกอึอดอัด mm hmm. ก็จะดูลมหายใจตัวเองอะะก็ในวันที่สามตอนขณะนอนนะคะเรารู้สึกตื่นตื่นก็จะเห็นมันตื่นขึ้นมาจากกลางอกอะฮะก็เป็นลักษณะเหมือนกับเปิดสวิตช์ฮะฮลักษณะนั้นแล้วก็ปฏิบัติอยู่ที่นั่นประมาณห้าวันแล้วหลังจากนั้นกลับมาบ้านก็มานอนก็ เห็นร่างกายมันเป็นท่อน <Yeah. S 2> เป็นท่อนๆนะ hmm. ฮะแล้วก็อีกวันหนึ่งถัามาอกีกก็เห็นความกลัวของตัวเอง hmm. คือเดิมทีเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองมีความกลัวคือเคยประสบเหตุการณ์แบบนาทีวิกฤตนะฮะ hmm. ก็จะไม่รู้สึกกลัวก็เลยเข้าใจว่าตัวเองไม่มีความกลัว hmm. แต่วันนั้นเห็นความกลัวของตัวเองแบบขึ้นมา hmm. แล้วก็อีกวันหนึ่ง hmm. ก็เห็นความน่ารัก <laughs> นาเอ็นดูมันหนักๆนะคะ <laughs> ก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองเห็นเยอะไปหรือเปล่าเพราะว่าปฏิบัติสั้นๆทำไมวันหนึ่งเห็นอย่างเดียวอะคะก็ดูไปนะในในวันหนึ่ง<ะ>ในนาทีนึงในชั่วโมงน ะ, ะก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเกิดความกลัวค่ ะ, ะกลัวว่าปฏิบัติแล้วจะหลุดโลกให้รู้ลงปัจจุบันไป<ะ>นะใจกลัวรู้ว่ากลัว ใจลังเลรู้ว่าลังเละใจเป็นไงรู้ไปอย่างใจอยากพูดรู้อยากพูดหลังจากนั้นนี่ปฏิบัติแล้วเหมือนกับไม่ค่อยดีค่ะมันฟุ้งซ่านใช่ค่ะใจมันฟุ้งซ่านแะ้งั้นหากรรมฐานอะไรสักอันหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไปเออยมไม่เข้าใจก่อนว่าจิตตั้งมั่นฮะรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาไหมรู้ฮะถ้ารู้ทันจิตที่ไหลนะเดี๋ยวจิตก็ตั้งเอง แล้วจิตถึงฐานนี่คืออะไรคะรู้จักจิตไม่ถึงฐานไหมไม่รู้จักจิตที่มันส่งออกไปจิตที่มันเคลื่อนออกไปอย่างนี้มันเคลื่อนไปคิดแล้ว <ฮะ S 2> ใช่ไมถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดนะจิตจะตั้งมั่นถึงฐานขึ้นมา <ฮะ S 2> จิตตั้งมั่นจิตถึงฐานอันเดียวกันเร<อ>าพูดกับคนหลายคนคนนี้พูดสำนวนอย่างนี้คนนี้สันวนอย่างนี้ฮฮะฮะเนี่ยจิตเอาแต่คิด เห็นไหมใช่ค่ะคิดเยอะค่ะแล้วก็ขี้สงสัยเออนั่นแหละจุดอ่อนนะอะให้รู้ทันเลยว่าจิตฟุ้งซ่านนล้ยมต้องปฏิบัติให้รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านไปทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันว่าจิตไหลอะแล้วกรรมฐานขึ้นไหนคะที่เหมาะค่ะโยมกระดูกระดิกไหมกระดูกระดิกไหมอ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคร้งนมาสักการหนูงพ่อค่ะ ก็ปฏิบัติด้วยวิธีดูจิตมาหลายปีค่ะหลวงพ่อแต่ว่าเอเมื่อสักประมาณสองปีที่แล้วส่งกันบ้าหลวงพ่อหลว ง, งพ่อบอกว่าก็มันก็เริ่มแยกๆห่างๆกันออกไปอ่ะค่ะแล้วก็บางทีก็มีตาไปเห็นรูปบ้างเลยบ้างแต่ก็พยายามปฏิบัติมาเรื่อยๆทุกวันพยายามจะทําเหตุให้ดีค่ะหลวงพ่อแต่ไม่มั่นใจนว่าเห็นไหมว่าตอนนี้กับเมื่อปีกลายก็ไม่เหมือนกันเหมือนจะเหมือนจะมีพัฒนาการแต่ไม่มั่นใจค่ะนั่นแหละก็ถูกถูกแล้วนะ ค่อยๆดูไปนะขันมันก็ค่อยๆแยกๆๆไปแยกบ้างรวมบ้างไม่เป็นไรนะไม่ต้องแยกตลอดอย่านี่ยใจไหลไปคิดให้รู้ทันใจเป็นยังไงให้รู้ทันนะดูเรื่อยๆดูสบายๆไม่บังคับบังคับไปถ้าบังคับเรื่อยจะแน่นบางวันมัน อ, อมันไม่ไม่ทราบว่าตัวเองดูอยู่หรือเปล่าค่ะหลวงพ่อให้รู้ว่ากําลังสงสัยนะค่ ะ, <น> ะ, คะ ถ้าดูจิตได้ดูจิตไปเลยถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็ทำสมถะพุโทโธพุทโธอะไรก็ว่าไปพอจิตมีเรี่ยวมีแรงมันกกลับมาดูจิตใหม่มันเข้ามาดูได้เองอย่างเช่นพยักหน้าอะไรย่างีก็คือเป็การดูกายไปแล้วใช่ชไหมคะเห็นไหมมันกายแต่จิตมันคนละอันอขันมันแยกแล้วล่ ะ, ะ, ะแยกขันได้นะไม่ใช่เรื่องเล็กนะ ถ้าเราแยกขันไม่ได้นะเราจเจริญปัญญาไม่ได้จริงมันจะรวมกันนะขันห้ามรวมเป็นก้อนเดียวกันกลายเป็นตัวเราขึ้นมาแต่พอขันแตกออกไปขันแยกออกไปเห็นร่างกายส่วนหนึ่งรนะ่างกายก็ไม่ใช่เราความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่เราอนะกุศลอกุศลแยกออกไปอยู่อีกส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่เราจิตแยกอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นคนดูก็ไม่ใช่เราอีกนะสุดท้ายจะพบว่าตัวเราหายไป หลวงพ่อมาเทศที่นี่ทุกปีเลยมีรอบนี้ที่พวกส่งกันบ้านนะจำนวนมากเลยแยกขันได้ไม่แยกขันได้นะอย่าท้อใจนะค่อยดูไปด้วยดูขันทำงานถึงวันหนึ่งมันจะแจ้งขึ้นมาขันนี้ไม่ใช่เราไม่มีเราในขันนี้ไม่มีเราที่ไหนเล ย, ยอขออนุญาตถามพิธนึงนะคะหลวงพ่อพอดีคุณพ่อเพิ่งเสียเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะ เราก็จะพยายามทําหน้าที่ลูกต่อไปโดยการใส่บาตรให้เพาะทุกวันอืแต่จริงๆลึกๆในใจเราก็ก็ไม่มั่นใจ่นะคะว่าจะถึงวุนพอหรือเปล่าหรือบางวันที่เราขี้เกียจจริงๆตื่นไม่ทันจริงๆก็จะรักไก่โดยการมานั่งภาวนานะคะผีไม่ได้กินข้าวหรอกเขากินบุญเงั้นเรามีบุญอุทิศให้ก็โอเคแล้วคนที่ได้กินข้าวคือพระทาธุค่ะ ขอโอกาสให้คุณแม่ด้วยนะคะกราบน้ำมันสกัรหลวงพ่อค่ ะ, ะดิฉันได้ติดตามอ่ า, อานหนังสือแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อก็ก็พอสมควรแล้วก็ครั้งหลังสุดการหลวงพ่อได้มาได้มาส่งการบ้านหลวงพ่อครั้งหนึ่งหลวงพ่อบอกว่าให้ไปปฏิบัติ ด, ด้วยไม่ใช่ว่าให้ดูเฉ ย, เฉย ปฏิบัติโดยนั่งสมาธินะคะอยองก็กลับไปก็นั่งสมาธิแต่ไม่แน่ใจว่าที่ปฏิบัติอยู่นี่ถูกต้องหรือไม่ ถ, ถูกนะรู้สึกไหมว่าจิตใจเรามีเรื่อมีแรงมากขึ้นรู้สึกค่ะนั่นแหละสำคัญนะถ้าจิตใจไม่มีเรื่อมีแรงนะก็ร่อนเร่หมดเรื่องหมดแรงไปเรื่อยใช้ไม่ได้หรอกคือตอนกํลาลังนั่งเนี่ยคะ่ะบางวันก็รู้สึกปลอดโปรง่งบางวันก็รู้สึกมัน บันนี้ไม่เคยได้เรื่องคือมันเป็นความรู้สึกเป็นลักษณะที่ว่าอยู่ๆบางทีก็ไม่ทราบว่าอะไรมันก็แวบเข้ามาเดยอะมากน้อยแล้วแต่วันอันนั้นแหละดีนะค่ะจิตเจริญบ้างเสื่อมบ้างไม่เป็นไรเจริญก็ปฏิบัติเสื่อมก็ปฏิบัติแล้วบางครั้งก็พอบางวันก็รู้สึกหงุดหงิดกําลังนั่งเนี่ยนั่งแล้วอะไรเรื่องอะไรเข้ามาทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่มันก็จะผ่านแวบมาแต่แล้วมันก็หายไป ก็ดูเอาคือพื้นพื้นเดิมของโยมนะมันจิ้งกุฏิอยู่แล้วล่ะตอนก็ขึ้นมาไม่เป็นไรฉันบางทีเรื่องไม่ไม่ไม่ใช่อะไรอยู่เฉยไปนึกถึงเรื่องนั้นนิดเรื่องนี้หน่อ ย, อยเงี้ยนี่ไงใจไปคิดเนี่ยจิตก็เปลี่ยนค่ะตามองเห็นจิตก็เปลี่ยนที่หลวงพ่อบอกให้เรารู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปทีนี้มีสงสัยอีกอันหนึ่งนะคะหลังจากที่เรานั่งแบบนี้ไปแล้วก็มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะ แต่ว่าไม่ค่อยเกิดบ่อยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าถึงแม้ว่าเราจะคิดมีอะไรผ่านคิดมามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อยู่วิเฉยมันนิ่งหานิ่งทงั้งที่เรารู้ตัวนิ่งก็รู้นิ่งนิ่งก็ไม่เที่ยงะนะนิ่งมาแล้วนิ่งก็ไปแต่คือไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทราบว่าที่ปฏิบัตินี้ถูกต้องหรือไม่ถูกสินะดูไปเรื่อยแต่ใจยังไม่ค่อยเป็นกลางค่ะให้รู้ทันตัวเนี้ยต้องต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรไหมคะให้รู้ทัน ก็ปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปดีขึ้นเยอะแล้วคขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะการรักาการครับหลวงพอ่อซึ่งผมก็ไปกราบหลวงพ่อช่วงวิสาขะก็เลยนําธรรมะมาติปฏิบัติจนกระทั่งวันนี้มันรู้สึกว่าเป็นยังไงขอบหลวงพอ่ออะไรที่แน่ครับผรู้สึกอะไรนะการปฏิบัติทําไมนะเป็นยังไงขณะ น, นีเ้เราต้องรู้ด้วยตัวเราเอง สังเกตไหมว่าใจเราไม่เหมือนเดิมครับก็ดูดูวางวันก็ดีวางวันก็ไม่ดีอ น, นั่นแหละเขาสอนเราธรรมะสอนเราอยู่ว่าไม่เที่ยงดีหรือชั่วไม่เที่ยงนั่นคือความจริงเราปฏิบัติเพื่อเอาความจริงนะไม่ได้ปฏิบัติเอาดีหรอกเพราะดีมันของไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นปฏิบตัติต่อไปจิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้ จิตสุกจิตทุกข์รู้ไปเรื่อยแล้วก็เห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวไม่มีอะไรครงทนหรอกดูอย่างนี้บ่อยๆน ะ, ะครับพงศ์วัสดการหลวงพ่อครับตอนแรกว่าจะไม่ตื่นเต้นครับแต่ก็ตื่นเต้นอยู่ดีครับห้ามไม่ได้ครับจิตจะตื่นเต้นห้ามไม่ได้ดอกครับก็ได้พยายามฝึกหัดดูจิตตามดูจิตอยู่ระยะหนึ่งนะครับออพอจะเห็นถึง อตอนที่เราจะทําผิดศีลเนีนะ่ยเราจะรู้สึกพอจะยั้งได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นหลักๆ ก, ก็คือประมาณอย่างเงี้ยที่เราจะผิดศีล น, นะฮะแล้วก็อีกช่วงอีกอีกอันหนึ่งก็คืออัตตานะครับเพราะว่าโอ้อันนี้มันคืออัตตานี่เองอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ทราบว่าเคยหาทีอีกนะครับมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเองยอมรับกับหลวงพ่อแนละ้วว่าขาดวิริยะครับเป็นทำให้มากๆแล้วแล้ว ที่ปฏิบัติมาครหลวงพ่อมันถูกล่องถูกลอ ย, ลยถูกสินะแต่มันก็ถูกเป็นลําดับไปนะครับแล้วในช่วงนี้แหละครับอีกอีกนิดนึงนะครับหลวงพ่อคือรู้สึกว่าจะเจอวิบากเกี่ยวกับเรื่องการงานอะไรอย่างนี้ครับก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจนะแล้วก็มองไปมองว่าเออจริงๆมันก็เหตุของผลมันก็คือเกิดจากต า, <ม>ตาเกิดจากการที่เรากังวลในสิ่งที่เราไม่รู้แต่มันก็เห็นอยู่เท่านี้แต่มันก็ยังติดอยู่อย่างนี้นครับหลวงพ่อมันไม่ได้ปล่อยง่ายนะฮะแต่ว่า ดูไปดูไปด้วยนะจนเห็นเลยไม่มีอะไรที่เราบังคับได้มันยังคาใจอยู่อย่างนั้นะทั้งที่เราก็รู้มันมันก็เราไม่ได้รู้จริงะเรารู้ด้วยการคิดเนาะใจเราไม่ได้รู้เราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้สมองเราฉลาดนะครับ่ภาวนาจนใจมันฉลาดอืคนละอันกันครับก็อย่างผมนี้ต้องต้องทําอีกะยังทําไม่พอใช่ทําน้อยไปไปทําอีกอย่าท้อใจ ใช่ทลายเลยท้อใจก็ไม่ท้อครับแต่ผมรู้สึกว่าผมขาดวิริยะอย่างเดียวนะไปทำแล้วก็ตั้งมั่นบางทีก็ตั้งมั่นวันหนึ่งไม่กี่ครั้งนะครับไปทําอีกนะยังไม่พอแต่ยังถูกร่องถูกรออยู่ใช่ไหมครับถูกดีกว่าไม่ทําครับแต่ผมยังไม่แยกคาดแยกข่าวอย่างใช่ไหมครับอย่างขึ้นทีคนสุดท้ายล้วที่เหลือเตรียมกับบ้านค่ะกรรมธรรมสการหลวงพ่อค่ะ คือหนูมีโอกาสมากราบหลวงพ่อครั้งนี้เป็นครั้งที่สามค่ะแต่ก็ตื่นเต้นทุกครั้งครั้งนี้รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าทุกครั้งเพราะว่าเหมือนพี่ๆจะอยากให้ให้หนูมีโอกาสได้แบบได้ส่งการบ้านกับหลวงพ่อแต่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะส่งอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาสิ่งที่หนูทำก็คือหนูก็แค่จะรู้ว่าเออเวลานี้หนูโกรธเวลานี้หนูเครียดเวลานี้หนูเสียใจแต่หนูก็รู้แค่นั้นแล้วหนูก็ ดูแล้วยังไงหนูก็ไม่รู้ต่อะค่ะไม่ใช่ดูแล้วเอาไงนะค่ะมันมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นสดสดร้อนๆในปัจจุบันเนี้ยก็รู้มันไปเรื่อยๆค่ะแล้วลพอหนูถึงวันหนึ่งเนี่ยปัญญามันจะเกิดมันจะสรุปของมันเองว่าทุกอย่างนี้ชั่วคราวค่ะอันนี้ไม่ใช่เราสรุปนะจิตมันสรุปของมันเองแต่ว่าสิ่งที่หลังจากเมื่อก่อนนี้คือหนูจะเป็นคนที่ค่อนข้างตรงมากแล้วก็ถ้าโกรธก็จะแสดงออกว่าโกรธ แล้วก็จะจมอยู่กับความโกรธนั้นค่อนข้างนานค่ะแต่พอหลังจากที่พอมารู้ว่าอ๋อนี่หนูกําลังโกรธนี่หนูกําลังเครียดหนูรู้สึกว่าความโกรธความเครียดนั้นมันมันหายไปเร็วขึ้นไม่รู้ว่าไม่รู้มันใช่ไหมคะใช่ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะมีสติรู้ทันมันก็กรเด็นหายไปเลยค่ะแต่ว่าหนูไม่เคยดูกายอะไรแบบที่ฟังเมื่อกี้หนูไม่รู้จักหนูไม่เคยรู้เลยค่ะได้ก็ดูจิตไปที่เขาดูกายเพื่อจะเข้ามาให้ถึงจิต หลวงพ่ เ, เคยถามหลวงปู่ดุลเป็นหลวงปู่ครับไปที่ไหนที่ไหนนั้นมีแต่ครูบาอาจารย์สอนให้ดูกายผมต้องมาดูกายบ้างไหมท่านมองหน้าเราแบบสมเพศสมเพศบอกเขดูกายก็เพื่อให้เข้ามาถึงจิตถึงใจให้มาเห็นจิตอ่ะเห็นจิตแล้วจะไปเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งใช่ไหมอย่างนี้นะะก็ให้หนูดูจิตของหนูไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมใช่อย่าไปดูจิตคนอื่น <c oughs> ให้ดูจิตของเราเอง <c oughs> ขอบคุณค่ะกับดมศ ก, การหลวงพ่อครับคือผมได้ศึกษามาหมายถึงว่าได้เริ่มรู้จักกับหลวงพ่อมาประมาณเดือนหนึ่งฮะก็เลยเริ่มมีแรงบันดาลใจอยากจะลองทำดูสวดมนต์ดูคือตัวผมเนี่ยเป็นคนทัวรทัวรสาธิตค่อนข้างแรงแล้วก็คือมันบางตอนแรกที่ผมสังเกตจิตตัวเองออกนอกเนี่ย ไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับผู้คนที่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยตอนแรกก็ชักจูงมาด้วยไตรักครับก็อันนี้จังทุกขังอนัตตาฮะแล้วสักพักหนึ่งมันมันมันมาเองอแต่มันเป็นแบบหยาบคายคือขอโทษนะฮะประมาณว่ามึงไปยุ่งกับเขาทำไมเออไม่เป็นไรเราใจเรานักเลงฮะมันพอรู้พ อ, พอภาพตกกระทบเข้าตา แล้วก็รูปเวทนาสัญญาสังขารมันปรุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันโผล่มาเลยไปยุ่งกับเขาทําไมเอไอ้ตรงยุ่งเนี่ยจริงๆมาอีกสับหนึ่งอือะไรประมาณนี้ฮะก็เลยอยากจะถามว่ามาถูกหรือเปล่าฮะถูกแล้วก็อีกอีกกรณีหนึ่งคือผมนั่งสมาธิเนี่ยผมรู้สึกว่าจิตผมเนี่ยตัวเราคือจิตกายเนี่ยมันก็เราแค่เอามาสิงอยู่อือยู่ๆตะคิวมันขึ้นอ้าว ไม่ได้ขอให้มันมามันมาผมก็เลยคิดว่ามึงอยากเป็นเงินก็มึงก็เป็นไปแล้วมันก็ซาลงฮะอย่างนี้ถูกไหมตรงที่ตะคิวเกิดนะใจเราเป็นคนดูอยู่นี่ใช้ได้ตรงที่ไปท้ามันเนี่ยนะไอ้เนี่ยโถสแนะแทรกแล้วแต่มันก็มันก็เบาลงฮะแบบว่าทำไมมันเบาลงเพราะมันไม่เที่ยงฮะก็คือผมผมเหมือน คำที่หลวงพ่อบอกว่าห้ามเพง่งนะผมผมเลยคิดว่าผมหลับตาเนี่ยผมเอาจิตมองไปข้างหน้าและใช้แบบคล้ายๆกับหางตามองมันประมาณนี้ฮะอื ม, มันก็ความเข้าใจของผมนะคือการไม่เพง่งคือการเหลือบมองมันนิดๆเออแค่จำเลืองจำเลือง<ะ>อย่าไปจ้องใส่มันแล้วมันก็ซาลงทันทีเลยอืมผมก็แต่ผมไม่รู้มันถูกไหมเพราะว่ามันไปด่ามานะฮะไอตรงที่รู้ทันนะะ ถูกเรียบร้อยไปแล้วตรงที่ไปด่ามันเนี้ยมันไปด้วยความเคยชินแล้วตอนนี้มามามามสักพักนี้ผมเห็นเป็นภาพสามมิติฮะอืคือเหมือนกับว่าเรื่องมันเกิดตรงน ون, ู้นอืแล้วมันซูมมาเป็นสามมิติว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราไปไปยุ่งกับเขาอีกแล้วเออไปหาเรื่องเ อ, อแล้วทั้งทั้งที่มันเกิดของมันเดี๋ยวมันก็ดับของมันดังนั้นถูกแต่ใหญ่คิดนํานะฮะตอนนี้คิด น, นาอยู่คิดนำเยอะเลยครับก็ อยากถามว่าไม่ที่เห็นเห็นถูกแล้วแต่ว่ามันชอบต่อท้ายด้วยการคิดให้รู้ทันเอาคือตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยมันหยุดคิดไม่ได้ครับใครก็คิดเท่งนั้นแหละครับนะห้ามมันคิดได้ที่ไหนจิดมีหน้าที่คิดแต่มันคิดแล้วให้รู้ทันเอาวันนี้มีเวลาเท่านี้นะสมคกรเกยวเวลาละ โมตนาด้วยนะหลวงพ่อขอถวายพระอุปชาหลวงพ่อได้บุญหลายต่อเอารับปอ น, นะเดี๋ยวได้กลับบ้านยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวาเมวาอีโตทินังเปตานังอุปกะปติยิชิตังปฏิตังทุมหังคิ ป, ปเมวาสมิชฉุสัพเพปุเรนตูสังกปา จันโผปันนราโสยธ า, ามนิโชติราโสยธ า, าสพีตโยวิวัตชันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจัตาโรโธรมาวทันตียุวันโนสุขขังพระลังไปโทวนานะ พวกเราดีขึ้นดีขึ้นมากๆเลยนะในภาพรวมนะสว่างสวยกันดี